เหมืนแค่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นใช่มันก็เรื่องใหญ่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันไม่ได้เป็นใหญ่มาแต่เดิมเลยโลกโลกจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ได้ก็เริ่มจากฝุดละอองเล็กๆน้อยๆรวมตัวกันถึงจะเป็นก้อนโลกที่ใหญ่ได้โยกเกือบจะเปไปคุยกันไม่เลี่ยง แต่เอ๊พวกเี่บอกว่ไม่เอาดีกว่าน้่เรื่องของเขาเลยปล่อยเลยตามเลยแล้วแหละเราก็พยายามอันที่บอกว่าเป็นเรื่องของเขาก็เป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งไม่อนุเคราะห์ไม่อนุเคราะห์คนที่เขาไม่รู้ตัวเขามีโมหะเขาหลงเขาไม่ดีสังเกตคนรอบข้างว่าคนรอบข้างเขาทําอะไรและสิ่งที่ตัวเองกระทานั้นกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่า เขาไม่รู้เพราะเขาเคยชินเขาอยู่กับความรู้สึกที่ไม่มีสติภาสติหากเราบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเราไม่อยากจะเข้าไปถ้าเข้าไปจะทําให้เขาเกิดความขุ่นมม่การขุ่นมัวอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่การที่ปล่อยให้เขาทํากรรมที่เป็นผลสะท้อนมาเป็นเครื่องขัดขวางการเจริญงอกงามของตนเองในภายภาคหน้าถือว่าไม่อนุเคราะห์เขา มันก็เถียงมันสองติดสองใจนะใจหนึ่งก็อยากบอกให้เขาแต่คือเราก็จะคุยกันดีๆอย่างนี้ยค่ะใจหนก็เ อ, ยอย้ยกลัวจะเป็นละเมิดกลัวจะเป็นละเมิดเขานี่แหละคนลองความเก่งอกเกงใจที่ผิดๆมันทําให้เราไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดและมันจะทําให้เรากลายเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกยังไหมหน้าไหว้หลังหลอกนี่เป็นยังไงด้วย ต่อหน้ากันก็ไหวกันเนาสวัสดีคิดถึงเหลือเกินไอ้หาเอิ้งมาทำไมในใจสาปายล้ำร้องคือเราไม่ได้บอกอะไรเลต้องแรกๆมันก็ต้องมันมันมาจากความเกงใจที่ผิดๆอย่างเงี้ยไปก่อนนะถ้ า, าถ้าเราเกงใจแบบผิดๆอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื ย, เยสุดท้ายแล้วเราก็ได้แค่สิ่งที่ทํากันแบบฉากหน้าเรียกว่าใส่หน้ากาก เราอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าบอกว่าการบอกกันติกันว่าเก่าวกันตักเตือนกันเพื่อให้ออกจากกันละเมิดหรือความผิดชื่อว่าเป็นความเจริญในวิในของภาะริยเจ้าเป็นความเจริญของศาสนาแต่ถ้าอยู่กันคนละที่อันนั้นอ่ะเก่งใจได้แต่อยู่ด้วยกันห้ามเก่งใจทุกคนต้องเปิดโอกาสต่อกันและกันให้บอกเก่าวกันให้ว่าเก่าวกันคนในครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้ว่าเก่าวกันบอกเก่าวกัน ตักเตือนกันนอกครอบครัวไม่เกี่ยวของใครของมันอันนั้นก็ต้องเคารพสิทธิในแต่ละบุคคลในแต่ละครอบครัวแต่ที่อยู่ร่วมกันนั้นต้องบอกกล่าวภิกษุจะต้องเกิดทําการปอละนาเพราะมีการอยู่ร่วมกันต้องปอละนาต่อกันบอกกล่าวผมด้วยนะตัดเตือนผมด้วยนะว่ากล่าวผมด้วยนะแนะนําผมด้วยเนี่ยภิกษุอยู่ด้วยกันต้องบอกอย่างนี้มีอะไรก็ต้องบอกมันมีสติมีการกระทําที่เผลอเลย มีการกระทำที่ผิดพลาดมันก็ต้องก็ต้องบอกกันเพื่อที่จะออกจากโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการเจริญของพระศาสนาผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน mm hmm. เหมือนกันเลยพระบอกยมได้ยอมก็บอกพระได้ถ้าอยู่ด้วยกันคือประพฤติ ท, ทำร่วมกันนะนะต้องต้องบอกกันถ้าไม่บอกไม่ได้นะถือว่าผิด แต่ต้องไขควรก่อนแล้วค่อยบอกรรมไม่ใช่บอกด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหเนี่ยเห็นเขาทำผิดแล้วโมโหว่าเขาทำผิดก็ไปตาหนิว่ากล่าวด้วยอารมณ์ไม่ได้ต้องบอกด้วยเหตุผลคือถ้าจะบอกก็คือหลังจากที่มันต้องผ่านเวลานั้นไปก่อนถ้าจากูดอย่างกรณีที่คุณน้องพูดนี่คุณน้องจะ จะคุย ก, กับเจตัวอย่างไปดีค่ะเพราะว่ า, านั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ร่วงไปแล้วก็ให้มันร่วงไปสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปตั้งค่าไว้ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอีกออแต่ถ้าเจ้าตัวแกไม่ว่าทงทำนู่นทำนี่อันนี้เราก็ยินดีบริการเต็มที่กรณีเช่นนี้ยังไม่ต้องบอกยังไม่ต้องบอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเราก็ต้องเราก็ต้องให้เหตุผลกันแล้วใช่ เราต้องต้องพูดกันแบบตรงๆเลย mm hmm. เพราะว่ามันถ้าเราไม่บอกเขาก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่าการสั่งใช้กันเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยมันเป็นผลวิบากติดตามกันไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการสั่งใช้แบบเจ้านายใช้ลูกน้องเจ้านายสั่งใช้ลูกน้องนี่ก็เป็นวิบากกรรมนี mm ่ hmm. เป็นวิบากกรรม อาก็เขามาเป็นลูกน้องทำไมจะใช้ไม่ได้ไงเขาบอกใช้ได้แต่ว่าการใช้มันต้องสมกับเหตุผลมันไม่ใช่อยากจะใช้ก็ใช้ไปมันต้องใช้กับเหตุผลเป็นลูกน้องฉันฉันจะใช้ตามตามความต้องการของฉันมันมันก็มันก็ถูกอย่างหนึ่งในในภาพรวมแต่เขามาเป็นลูกน้องถามว่าเขาอยากเป็นลูกน้องไหมล่ะเขาก็ไม่อยากเป็นลูกน้องใช่ไหมล่ะ ทุกคนอยาเป็นอิสระภายในตัวเองเข้ามาด้วยกรรมของเขาวิบากของเขาที่เขาได้รับที่เขาได้ยอมเป็นอย่างนั้นการที่เขายอมมาเป็นลูกน้องของเรานั้นก็ถือว่าเราก็บุญพอแล้วนะแล้วเขาได้ทํางานทำนันทำนี่แล้วก็ไปสั่งใช้เขาเกินความจําเป็นมากเกินไปหรือแม้แต่สั่งใช้คนอื่นที่เขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะยินยอมให้เราใช้หรือไม่ใช้อะไรพวกนี้ยบุคคลอื่นลูกน้องก็ยังยังพอทําน้อยยังยังถือว่าเป็นวิบากกรรมอ่อนๆอยู่นะ แล้วคนอื่นนี่ก็กยิ่งจังนะมันก็ต้องก็ต้องบอกกันไม่ย่จะสั่งกันได้เลยอย่างตมานี่สั่งได้สั่งพระสั่งพระท ำ, ทำนั่นทํานี่สั่งได้ทําไมเอา้ามาเป็นลูกศิษย์แล้วเหรอเมาขอเป็นลูกศิษย์แล้วถ้าสั่งไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์เพราะว่างานนี้เดียถ้ามาเป็นลูกศิษย์ต้องสั่งได้ใช่ไหมล่ะสั่งพระต่อตมา มันทํานี่แต่ถ้าอยู่ร่วมการอะหลายคนนี้เราขออขอช่วยเหลือนักหน่อยนิดหน่อยก็ไม่ก็ต้องสมเหตุสมผลอะไรไม่ใช่จะขอไปอยู่เรื่อยๆก็ไม่ไหวต้องสมเหตุสมผลใช่คุณเจ้าครัแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการสั่งถ้าเกิดว่าคนที่เหมือนกับอยู่สูงกว่าเราก็สั่งเราแต่สั่งในสิ่งที่มันผิดธรรมนะครับเช่น พ่อสั่งให้ลูกไปซื้อไปซื้อเหล้ามาให้หน่อยแล้วลูกไม่ทําเนี่ยก็ไม่บาปใช่ไหยครับไม่บาปแต่ไม่ดีไม่บาปแต่ก็ไม่ดีสไสดีว่าก็ควรจะไปซื้อให้นะควรจะไปซื้อให้จ ะ, ใหจะซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อยามา่ายาบา้ายามาก็ต้องไปซื้อครัเพราะระบบของการปกครองระหว่างพ่อกับลูกพ่อจะสั่งยังไงก็ตามลูกก็ต้องทําตามคําสั่ง นันคืโดยหลักธรรมชาติแต่การที่เราไม่ยินดีในสิ่งที่พ่อสั่งอันนั้นอะทําให้เราผ้นผิดพ้นโทษในการที่เราทําแต่ถ้าเราไปยินดีก็ไม่ได้หรือไปไม่ไม่พอใจก็ผิดอีกมาสั่งเราไปซื้อสิ่งที่ไม่ดีเฮียโมโหไม่พอใจขัดเคืองก็ผิดอีกการตั้งจิตไม่ยินดีในสิ่งที่พ่อสั่งใช้ก็ผ้นโทษแล้วโทษก็ตกที่พ่อ ผมเคยผมเคยทํางานอย่างนี้ครับเจ้านายเขาจะบอกว่าทํามดุดกรณีเวลาเห็นหมดเดินเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่ามิ้งจัดการผมก็ไม่ทำเพราะผมไม่อยากฆ่าสั่งเนี่ยครับแต่ความเปนจริงก็ควรทาแต่ทําเพราะแค่เขาสั่งเราแล้วเราเป็นลูกน้องเขาออืก็จะพ้นผิดก็พน ผ, ผิดอํานาจมันตกอํานาจที่สั่งการจากผู้ใดอํานาจการสั่งการมาจากผู้ใดวิบากกรรมจะตกแก่ผู้นั้น นายนายเพชฌฆาตขาวแดงเพชฌฆาตขาวแดงนี้ฆ่าฆ่าโจรพือพระราชาสั่งราชาบุรุษจับโจรมามากเท่าไหร่ก็ตามเข้าสู่ลานประหารเพชชฆาตขาวแดงก็จะทําการตัดศีรษะประหารทำกันดู สี่0ิบปีก็หมดแรงพอหมดแรงเสร็จแล้วก็ขอลาออกจากการเป็นเป็นพาิาคาตภาพแห่งการฆ่าตัดคอคนมันมันเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากผุดขึ้นในใจรู้สึกกระวนกระบายใจไม่ดีรู้สึกไม่ไม่สบายใจว่าเราได้ฆ่าคนไว้มากก็เลยอยากจะทำบุญภาษาดิบุตรไปบินาบาตก็เลยจัดแจงแต่งอาหารให้กับ ใส่ใส่เป็นของทานอย่างดีเอาชนิดอย่างดีที่สุดเลยเข้าเข้าที่เลิศที่สุดอาหารที่เลิศที่สุดให้กับพระสารีบุตรภระสารีบุต ร, พ, ร, ตรพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็จะแสดงธรรมนายคในานไม่ใช่ในในในในเพศ ช, ช า, าตินี้เขาแดงนี่กเรียกว่าข้าพเจ้าไม่มีจิตใจตั้งมั่นที่จะฟังธรรมได้เพราะข้าพเจ้าทํำบาปไว้มากเห็นแต่ภาพการตัดศีรษะคน ภาษาลิบุรุษก็เลยบอกว่าท่านฆ่าคนเพราะท่านฆ่าด้วยอำนาจของท่านเองหรือมีใครสั่งท่านฆ่าเขาบอกว่ามีผู้สั่งฆ่าทำด้วยอำนาจของผู้สั่งการมาภาษาลิบุรุษเลยว่าผู้ใดก็ตามสั่งการในการฆ่าบาปจะไปตกแก่ผู้นั้นไม่ได้ตกแก่ผู้ฆ่านายเพชฌฆาตนี้ก็เลยเบาใจขึ้นเยอะเลย เบาใจไม่ได้นึกถึงบาปกรรมที่ตัวเองได้ทำไหมพอเบาใจขึ้นมามากมากแล้วปับ๊บจิตก็เลยตั้งมัน่นผ่องใสขึ้นพอจิตตั้งมั่นผ่องใสขึ้นมาพระสารีบุตรก็แสดงธรรมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันด้ว ย, ม, ยมันอยู่ที่ความฉลาดของจิตหากเราไปติดอยู่ในเรื่องที่เราทำภาพที่เราทำ มันก็อยู่อย่างนั้นนันก็เศ้าหมองอย่างนั้นก็สิ่งที่ล่วงไปแล้วล่าไปแล้วดับไปแล้วเราไม่ได้ไปปล่อยให้ล่วงไปล่าไปดับไปเราไปติดอยู่ว่าเราทําเราทําเราท ำ, ท ำ, ทำถ้าตอนนี้เราทําอยู่ไหมละ่ะไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วมันบาปไหมไม่บาป อ, Jean อันที่ผ่านมาบาปไหมอันที่ผ่านมาก็บาปแล้วมันก็ดับไหมดับบาปนั้นก็ดับไปด้วยแต่หากจิตใจเรานึกถึงอยู่เรื่อยๆมันไม่ดับทีเนี่ยมันสืบเนื่องมามันก็โสมผลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนี่แหละทำให้เกิดการเกิดไม่มีทางสิ้นสุด บาปใดก็ตามหากไม่ใช่อนันตาริยกรรมบาปนั้นสามารถแก้และทําให้พ้นได้แต่บาปอับเป็นอนันตาริยกรรมแก้ไม่ได้อย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าบิดาเสร็จมาฟังเทศพุทธเจ้าฟังยังไงก็ไม่บรรลุได้แค่จิตเริ่มใสทั้งๆที่บรารมีมาเพียบพร้อมเต็มบริบูรณ์แล้วพุทธเจ้าบอกว่าหากอาชาตศัตรูนี้ไม่ฆ่าพ่อ เขาจาบับบลูธมเป็นสวนดาบันต่อหน้าตาาคตในการฟังธรรมใน ข, ข่าวครั้งนั้นครั้งนี้แต่เพราะข้าพ่อกรรมนั้นจึงปิดไม่ให้บลูธำได้แค่จิตเรื่อมใสเห็นไหมถ้ามันไม่หนักมากถึงกับข้าพ่อข้าแม่ข้ า, ขาพระ อ, อรหันต์ทำสงฆ์ให้แต่จากกันก็ จะไปกลัวไรบาปกรรมในโลกนี้คาว่าไม่อย่าไปกลัวนี่หมายว่าให้ประมาทไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้สอนให้ประมาทนะหมายถี่ว่าให้รู้จักทําตนเองให้พ้นออกมาจากบาปนั้นทาเอาตัวเองให้รอดนะพ้ไปมัวแต่เศร้าหมองอยู่กับบาปที่ตัวเองเคยทำกูไม่น่าทํากูไม่น่าทําอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยเ <c oughs> นี่ยจิตเพื่อเจ้าสอน สอนให้อยู่รู้จักปัจจุบันปัจจุบันสามารถการทําประโยชน์ได้อันที่ล่วงไปแล้วทําประโยชน์อะไรไม่ได้จะเป็นความดีก็ตามทําประโยชน์อะไรไม่ได้แต่การส่งผลมีแน่นอนพราะเรารู้ว่ามันมีการส่งผลนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้สําคัญกว่านั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาตัวเองพ้นออกไปจากสิ่งที่เป็นอดีตได้สิ่งที่ล่วงไปแล้วได้ตรงนี้อันปัจจุบันเนี่ยทุกขณะหายใจมีลมหายใจอยู่นะสามารถ พนจากนรกได้ทุกๆขณะหากตั้งจิตไม้ถูกต้องแต่ถ้าตั้งจิตไม่ผิดมันก็ผิดไปตลอดทำบุญมากาย ม, มหาศาลจิตติดอยู่กับบุญหวังจะเอาบุญไปอํนมนวยตัวเองให้ได้สุขอยู่บนสวรรค์หรือในภพอื่นต่อไปอีกยืดยาวนานก็ต้องเป็นไปตามพิบากกรรมแล้วก็ตามการสมผลของแรงบุญนั้นไปอีกยืดยาวนานแต่หากเห็นกาลังของบุญ แต่ละครั้งที่เคยทำมาแล้วตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องว่าบุญนี้จงหนุนนำจิตเข้าพระเจ้าให้ไปรู้ธรรมรู้พระนิพพานรู้ทางดับทุกข์แล้วก็บุ่งปฏิบัติเรียนรู้ความจริงตั้งกรรมาฐานขึ้นมาในจิตพี่นาคกายพี่นาจิตเห็นการเกิดการดับพลังบุญก็จะหนุนในสิ่งที่เราทำพลังบุญจะหนุนในสิ่งที่เราต้องการจะทำแต่พลังบุญไม่ได้ทาให้เราบรรลุธรรม สิ่งที่เราทําจะทําให้เราบรรลุธรรมบุญแค่เป็นตัวหนุนพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าโค้งก็เต็มเปียกพร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่ถามว่าคลอดออกมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเลยไหมทั้งทนที่บุญพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะไม่ไมเห็นไหมล่ะหาโค้งเลือกที่จะเป็น โยมเมื่อเป็นคารวะรับราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาบุญก็จะหนุนในทิศทางที่พรวงคในทิศทางที่พรวงคทรงเลือกใช่ไหมละ่ะหนุนให้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแต่เมื่อพระองค์เลือกที่จะออกบวชบุญก็จะหนุนในเรื่องการบาเพ็ญให้พระองค์ได้รู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณบุญก็เป็นตัวหนุนหนุนจิตให้ไปรู้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามทําบุญไว้แล้วใครก็ตามทําบุญไว้แล้ว ไม่ใช่มานั่งรอว่าผลให้ผลบุญให้นั้นให้นี้กับเรานะไม่ใช่ ท, ทำแล้วปุ๊บอธิษฐานอาบุญเป็นตัวหนุนแล้วสิ่งที่เราทำนั้นเราทำอะไรบุญจะหนุนในสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำสิ่งใดในขณะปัจจุบันนั้นเหตุแห่งบุญเราสร้างไว้แล้วปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรเพื่อให้บุญที่เราสร้างไว้มาหนุนชีวิตเราให้เป็นไปตามวิถีที่เราต้องการ ตรงนี้ความสาคัญหนงตรงนี้เหตุแห่งบาปสร้างไว้จะทำดียังไงก็ตามบาปก็คอยตัดรอนขัดขวางแทรกเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้เข้ามาในชีวิตอยู่นั่นเหตุแห่งบุญสร้างไว้บุญก็จะหนุนในสิ่งที่เราทำขนาดว่าแม้แต่โจรนะไปพ้นน่ยยังต้องอาศัยพลังบุญที่ตัวเองเคยทำไว้แต่ปางก่อนเป็นตัวหนุนให้พ้นได้ดีด้วยนะ เอาจริงๆบุญโจรนีถ่ถ้าทับประเภทโจรที่ไม่มีบุญเลยเนี่ยนะป้อนอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ดีไม่ดีโดนโดนเขาฆ่าคืนนะเป็นอย่างนั้นเลยป้นก็ไม่สาเร็จแม้แต่ทำดีหากไม่มีบุญมารองรับก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยสาเร็จไม่มีตัวหนุนที่มีตัวช่วยบุญเป็นตัวหนุน เพราะนั้นการที่เราจะบรรลุธรรมมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามของเราไม่ไอยู่ที่ว่ารอให้บุญมาบันดาลให้บรรลุรู้แจ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนั่งสามาธิหลับตาไปสงบปุ๊บเดี๋ยวก็รู้แจ้งขึ้นมาไม่มีทางมันต้องทํากิจในการรู้ทุกข์รู้เห็นให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปความทุกข์รู้ทางปฏิบัติทิ้งความดับทุกข์กิจอยู่ในจิตจิตของเราเนี่ยต้องกระทากิจในอริยสัจให้ถูกต้องมันถึงจะเกิดการละไม่ใช่มานั่งสงบสงบแล้ว เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาก็บอกว่ารู้รู้แจ้งแล้วอันนั้นมันมันรู้แจ้งแบบหลงอันนอะเป็นโลเกียไม่ใช่รู้แจ้งแบบจริงรู้แจ้งแบบจริงต้องรู้ว่าตนเองละอะไรทาํากิจในการละอย่างไรแล้วละได้ระดับไหนต้องเข้าใจต้องทราบต้องทราบในตนรู้ในตนจู่ๆแล้วกิเลสเห็นกิเลสเงียบหายไปเฉยๆเออ วันนี้กิเลสไม่เกิดสงสัยเราบรรลุอะไรอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วมั่งไงีอันนั้นแค่คิดว่าคิดว่าตัวเองบรรลุแต่อันที่ทํากิจในอริยสัจนี่แล้วเห็นการละการตัดการสลัดออกการผูกทําลายตัวอาสวะภายในจิตถูกทําลายเห็นชัดอย่างนั้นมันไม่ได้คิดว่าแล้วทีนี้มันรู้ชัดแล้วเข้าใจชัดแล้วเห็นชัดเหมือนกับแขนขาดก็รู้ชัดว่าแขนตัวเองขาดยังไง อะไรตัดไปจึงขาดรู้ชัดว่าอริยมรรคตัดขาดตัดกิเลสอาสวะชั้นไหนระดับใดขาดเร า, าก็จะคิดก็รู้อริยสัจะทําไม่ไม่มีการปล่อยให้เราได้งงและคาดคิดและเดาเอาเองแล้วหลงเข้าใจผิดว่าตนเองบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้นไม่มีเป็นการรู้ชัดและปฏิเสธตัวเองไม่ได้ว่ามันขาดออกไปได้ยังไงกิเลสก็เห็นการขาดอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นการสลัดออกเห็นการถูกทำลาย ไปต่อหน้า ต, ต่อตามมันจะไปสงสัยอยู่ว่าเราละหรือไม่ละเนี่ยมารู้ชัดอย่างนั้นเน่ยการปฏิบัติรู้ชัดทุกๆขณะ นั่นแหละคือบุญมากแล้วอันคนที่มีนะนะันแหะคือคนที่กรรมหนักลแล้วอยากจะไปอยู่ไม่อยากไม่อยากอยู่มากนะโอ้ยการภาวนาการสอนการปฏิบัติ<ม>กรรมฐ า, านก็เพื่อให้อยู่กับสังคมได้นั่นแหละ แ, แต่เบื้องต้นก็ต้องหลีกก่อนเนา ะ, อ, ะอย่างว่าเลยเขต้องหลีกเล่นก่อนหลีกเล่นแล้วก็ รู้อะไรแล้วก็กลับมาสู่สังคมเดิมมาแหละไม่ได้หนีแยกออกจากสังคมต่างหากหรอกแต่ต้องตั้งมือตั้งท่ารับเรื่องราวของสังคมให้ดีเพราะมันวุ่นวายมากสังคมเนี่มันวุ่นวายแบบอะไรก็ไม่รู้แหละอั น, นั้นมันไม่มีปัญหาแล้วเรารูลุยโลกกระทำก็เป็นอย่างนี้แหละโลกจะมีเราก็ตามไม่มีเราก็ตามโลกมันก็เป็นข้างวันอย่างเงี้คนที่ยังอยู่กับความงมงาย อยู่ความหลงยึดถือตัวตนยึดถืออัตตาทิฐิมานะชาลิสยากูดีกูเด่นกูสําคัญกว่าคนอื่นอยู่อย่างนั้นคนอื่นได้วกว่ากูอยู่นั่นไอพวกนี้ก็ก็เป็นไปในวะตะัตตาชิงดีชิงเด่นกันไปอีกยืดยาวนานหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็เป็นเรื่องของพวกเขาเราก็ได้แค่รับรู้และรับทราบเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเป็นผู้พ้น อนุเคราะห์ใครได้ก็อนุเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ได้ก็ว่างเท่นั้นนี่ไมไ่มีอะไรมากภาษาสดาก็ได้แค่เท่าที่พองค์ทรงทําได้พองค์ก็ทําให้คนอินเดียทั้งประเทศรู้เหมือนกันกับพระองค์ไม่ได้ได้เฉพาะบุคคลผู้เลื่อมใสผู้สนใจผู้หนักในเหตุในผลไม่ใช่ผู้อะไรหูเบาใจเบาเนี่ยต้องประกอบด้วยเหตุและผลผเพียงพอถึงจะหนักแน่นในเส้นทางนี้ เพราะสิ่งท so ี way, so <uation> ่ตัวเองกระทําอยู่ก็รู้ชัดในสิ่งตัวเองกระทาและมีเหตุผลภายในตัวเองในการกระทําเมื่อรู้ชัดภายในตัวเองรู้เหตุผลภายในตัวเองในสิ่งตัวเองกระทําแล้วมันก็ไม่คาดเคลื่อนออกไปจากสิ่งที่ตัวเองกระทํามันก็อยู่ในหลักในเกณฑ์อยู่ในวิธีแห่งการกระทําใครจะถูกมองว่าไม่ดีไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนที่มองเรามันได้มองแค่ผิวเผินหรือมองเห็นเพียงแค่ภาพภายนอก แล้วเขาเอาไปพูดกันไอการมองเห็นผิวเผินแล้วไปพูดกันพวกนี้มันเป็นพวกอะไรพวกไหนเรียกปากไวใจกล้าเนี้ยปากมันไวคือปากมันขาดสติมันก็พูดไปว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่ได้ป่าให้เขาอะไรอยที่ยอมดูแลพ่อแม่โอ้ มันก็ว่ากันไปแนละ้วแต่ใครจะว่ากันนะเนาะมันไม่รู้จักเราที่แท้จริงนะขนาดตัวเราอยู่กับตัวเราที่แท้จริงเรายังไม่รู้จักตัวเราเลยบางทีนะใช่ไหมล่ะแล้วัวคนอื่นจะมารู้จักเราได้ยังไงแล้วคนที่ยังไม่รู้จักเราดีพอแล้วไปพูดในเรื่องของเราให้คนนั้นคนนี้ฟังมันก็เป็นแค่พวกปากเบาใจเ บ, จบจาปากไว้ใจกล้าปากปากไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเรพูดไปตามภาษาคนมีปากนะั่นเอง มีปากก็พูดไปผู้ที่เจ้าบอกว่าหาพูดไปแล้วมันเป็นโทษโฮงไม่ให้พูดใช่ไหมล่ะตามหลักคําสอนนี่หาพูดเป็นเรื่องธรรมโฮงบอพูดได้เลยกลางวันกลางคืนพูดไปเถอะแต่พูดอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมน่ะพวกมุดนิ่งดีกว่าอย่าไปพูดเพราะแต่ละคําพูดที่พูดออกมามันจะเกิดเป็นโทษแต่ถ้ารู้ชัดเข้าใจชัดแน่นอนชัดแล้วพูดออกมาด้วยความชัดอันนั้นอ่ะไม่เป็นไร แต่ต้องพูดด้วยจิตที่เป็นกลางถึงจะถูกไม่ใช่จิตที่มุ่งร้ายภาธนาร้ายว่าร้ายกันโจดโจนธนาอะไรโผล่ธนาว่าเกาโจ์ขันกันไปอะไรประเภทนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยอาตมาเองก็ถูกพูดไปต่างๆนานาทันที่คนที่พูดก็ไม่ได้เข้ามารู้จักอาตมาดีสักเท่าไหร่มันก็มันก็แค่คาพูดของคน มันจะไปเอาอะไรคําพูดของคนตัวข้างเราเป็นตัวข้างเราแล้วเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ตัวข้างเราแล้วเราก็กำลังเรียนรู้ตัวข้างเราใช่ไหมละ่ะตอนเมื่อไรที่เรารู้แจ้งภายในตัวเองแล้วเราก็จะรู้จับคุณค่าภายในตัวเราขึ้นมาในสิ่งที่เป็นตัวเรามันก็ไม่ได้ขึ้นกับคําพูดของใครอีกใช่ละ่ะดี ก็ไม่ได้ขึ้นกับคําพูดว่าเขาพูดว่าเราดีอาตมาจะบอกว่ายอมน้องดีแค่ไหนก็ตามแต่ตัวเองยังไม่ยังไม่ดีพอแล้วมันจะไปดีได้ยังไงไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะมาว่าดีหรือผู้ได้เจ้ามาบอกว่าเราดีการปฏิบัติอย่างเงี้ยดีแต่เรายังไม่ถึงเข้าถึงความดีที่แท้จริงเราจะไปยินดีกับคําว่าดีในสิ่งบงชงพูดได้อยู่เหลยก็ไม่ยินดีจนต่อเมื่อเข้าถึงความดีแล้ว ผู้เจ้าจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรความดีก็ยังเป็นความดีอยู่มันยังค่่มเพชรก็ยังเป็นเพชรทองก็ยังเป็นทองไม่บ่ามันจะเจอคนเจอตมเจอฝุ่นละอองเกาะจับมันก็เป็นตัวของมันมันก็ยังเป็นเพชรอยู่ไม่ยังเป็นทองแข็ง okay. ก็ฝึกฝนไปปฏิบัติไป สิ่งหนึ่งมันจะรู้ภายในจิตคือว่าจะไม่หลงแล้วใช่ไหล่ะหรือยังจะหลงอยู่โอ้ก็ อ, อ, อ, อบรมกันสัส่งสอนกันมาป่านนี้ยังจะหลงอยู่ก็ไม่ไหวแล้วแต่ในบรรดาบุคคลที่ตะมาฝึกฝนอบรมมาหลงก็มีคือไพล่จับทางผิดก็มีเอาหลักการปฏิบัติที่จะมาสอนไปตีความผิดพลาดมั่วกันไปหมด โดยไม่เทียบเทียงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ความหมายในสิ่งที่เรามาสอนไปในลักษณะอื่ น, น, ก, นก็มีก็เท่าที่เห็นก็ผิดพลาดกันมาหลายแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็พอมีอยู่บางปเทศได้การแล้วอ่ะ แล้วก็คิดคิดคิดเจนาคครัวว่ามันเป็นยังไงว่าเราทำเราเปลี่ยนยงไงมันลงไปหรือเปล่ามันต้องเทียบเทียบทําทำไปแล้วเทียบทําไปแล้วเทียบทําไปแล้วเทียบเทียบเทียบกันอยู่ตลอดอาตมามีปริญญาเทียบอยู่กับจิตตลอดพ่อกลัวมันจะหลงต้องเอาหลักคําสอนพระเจ้ามาเทียบเทียบเทียบเทียบอยู่ตลอดเลยเอาหลักคาสอนพระเจ้านะ เอาคำในพระไตรปิฎกในพุทธพจน์นี่แหละมาเทียบคำของครูบาอาจารย์ก็มีไม่กี่องค์ของหลวงปู่มั่นหนึ่งก็คำของหลวงู่มั่นก็สอดคล้องกับคำของพระเจ้าไม่ผิดหลวงปู่เทพเทศลังสีหลวงพ่อชาหลวงตามหาบัวก็แค่นี้ที่เท่าที่นำไปเทียบดูจึงได้เข้าใจ พอใจในสิ่งที่ตัวเองกระทาอยู่ว่ามันอยู่ในหลักในเกมไม่ได้นี้ออกจากหลักเกมเทียบจนเป็นความเบาใจอุ่นใจภายในตัวเองว่าเราไม่ได้หลงเส้นทางในการปฏิบัติทําไมถึงกลัวหลงเส้นทางมากเปรมันมันบกวนมากเลยเหลยมันมีทางแยกออกไปเยอะเลยเหลยทําไมถึงกลัวหลงไอ้กลัวหลงเนี่ยมันเรากลัวที่จะไปทำอะไรทําอะไรที่มันผิ ด, ผ ด, ผดมากกว่านะ ไอ้ไอก้กลัวหลงนี่มันเราก็อยู่กับความหลงอยู่แล้วเนะวาะกลัวว่าจะทํำมาแล้วมันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ส่งผลต่อโทษเป็นโทษแก่ชนหมู่ใหญ่ในบางสิ่งเช่นที่เราทําผิดพลาดเช่นจิตติดอยู่กับสมาธิแล้วใช้สมาธิไปในเรื่องของพลังอํานาจใช้ไปในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารใช้สมาธิไปในเรื่องของการผูกเสกใช้สมาธิไปในเรื่องของ ทำของขังทงวัตถุมงคลอย่างเงี้ยอธิษฐานจิตมันจะทำให้คนภายภายหลังยึดถือตามคนจำนวนมากเป็นผลกระทบในด้านที่ผิดพลาดและคนก็ยึดถือในผู้วิเศษทาตัวเองเป็นผู้วิเศษแล้วก็คนก็หลงในผู้วิเศษอันนี้คือผลกระทบต่อคนหมู่มากโดยรวมมันก็จะทำให้ทิศทางของศาสนางนอนเงนคนแผน ศา ส, สนานี้หาความถูกต้องตรงไหนล่ะมีแต่ผู้พิเศษเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ผู้พิเศษเต็มบ้านเต็มเมืองแต่พูดทุกยากทําไมเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันอนี้บอกมห้ไปหมว้พระตัววันนี้ไปอย่างนั้นเลยมันใช้ไม่ได้เราก็กลัวจะไปสร้างโทษ ต, ตอกชนมู่ใหญ่อย่างนั้นแล้วก็เทียบ กับความรู้ของพระพุทธเจ้าองศ์สอนอย่างไรจุดที่เราเป็นอยู่นี้ถึงในในส่วนของความเป็นพุทธศนาในส่วนไหนระดับไหนอย่างไรก็ไต่ลำดับไปเทียบลำดับของตัวเราไปเทียบทางครูบาอาจารย์ไปพระพุทธเจ้าก็ยังเทียบเลยในวันที่พระงทรงตัสรู้บรรลุ ถ, ถึงสัมมาสัมโพธิญาณเข้าถึงพระนิพพานนั้นพงคงก็ยังเทียบไปกับว่าอดีตการมีบุคคลผู้บรรลุ ถ, ถึงสภาพธรรมอย่างนี้ไหมทำที่ไม่ผูกแต่งนี้ ก็ไปทราบนี้ว่าอ๋อพุทธเจ้าองค์กรบรรลุอย่างนี้เหมือนกันแล้วองค์องค์งหลังจากนี้มีอีกไหมก็ไปทราบอีกว่าองค์กรนู้นก็บรรลุอย่างนี้เหมือน ก, กั น, นตรงนี้แหละใต้ต้นสีมหาโพนี่แหละสีมหาโพธิ์นี่แหละแล้วองค์กรหน้านี้มีอีกไหมที่พงศ์เทียบที่จะเข้ามาถึงนิพพานองค์กรมีไหมองค์กรนู้นอีกล่ะองค์กรโน้ น, น้อนอีกล่ะโน้นไปอีกล่ะที่นี่ อ๋อโอ้โหพระพุทธเจ้ามีไม่รู้กี่อง์รู้ธรรมชาติอันเดียวกันนี้ทีนี้เทียบอย่างนั้นเห็นไหมความเป็นสมาสัมพุทธะพวกนี้เทียบมาว่ามีบุคคลผู้ตัศนูเป็นสมาสัมพุทธะก่อนพระองค์มีมาไม่รู้กี่เท่าไหร่ก็ดต่อเท่าไหร่แต่มันคนละแค่คนละยุคนั่นเองพอศาสนาสิ้นสุดคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานคนก็ลืมลืมหลักคาสอนเลอะเลือนในหลักคาสอนไม่ตั้งมั่นในหลักคาสอน ตีความหมายเห็นคำสอนผิดพลาดทําไงนี่ศาสนาก็ค่อยจางคลายจางคลายจางคลายจางคลายสัจธรรมที่เป็นตัวแก่นแท้ก็เลยเริ่มลบเลือนลบเลือนลบเลบือนออกจากความรู้สึกของคนคนไม่รู้อะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกอะไรคือใบอะไรคือกิ่งอะไรคือกระพี้ไม่รู้เลย ม, มั่วไปหมดท่านนี้ยึดถือเปลือกว่าเป็นแก่นก็เต็มไปหมด ยึดถือใบว่าเป็นแ ก, นก่นเต็มไปหมดยึดถือกิ่งว่าเป็นแ ก, นก่นเต็มไปหมดแต่ทุกวันนี้ยึดถือสิ่งที่อยู่นอกเปลือกว่าเป็นแกน่นไม่ใช่เปลือกของพืชศาสนานะนอกเปลือกต้นหญ้าที่เกิดข้างๆต้นไม้ที่มีแก่นนั้นบ้างนะเถาวันที่เลื้อยอยู่ข้างต้นไม้นั้นบ้างนอกเปลือกเอาไปแก่นอยู่นี่ยไอเถาวันที่มันเลื้อยอยู่ข้างต้นไม้เนี่ยถามว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้ไหม ไม่หากมันโตขึ้นเมื่อไรมีแรงแห่งการลักลึงมาเมื่อไรมันจะโค่นต้นไม้ต้นนั้นลงจนทางทีน้นแล้วตอนนี้เรากําลังสรรเสริญไอ้เครือไม้ที่อยู่ลัดต้นไม้อยู่ในตอนนี้ประดุดังว่าเป็นแก่นของต้นไม้ตัวนั้นมันอยู่นอกเปลือกเลยนะมันไม่ได้อยู่ในตัวต้นไม้นะั้นตัวอีกอันนึงที่เกิดแทรกขึ้นมาจากต้นไม้นั้น เตมไปหมดนะทีนี้มันรัดแล้วมันเติบโตขึ้นมาแก่กล้ามากแล้วตอนนี้ไม้ต้นนั้นก็เริ่มแล้วเหนี้เริ่มไม่รู้จะหักโค่นลงตอนไหนแต่ลงแน่หักโค่นแน่พืชส า, านี้ไม่ได้อยู่นานเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลผู้มีบุญที่จะได้เห็นได้นับถือได้ปฏิ ญ, ญาณตนพุทธทางสันนิษฐานคาถาธรรมบางสันนิษฐานามิสังขังสันนิษฐ า, า, านคาถาไม่ใช่เรื่องของคนบาปที่จะพูดได้ไม่ใช่เรื่องของคนนอกศาสนาที่จะมาพูดอย่างนี้ได้ เป็นเรื่องของคนที่มีบุญเพียงพอแล้วที่ผักดันให้มาเจอคาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่พอมาเจอแล้วพูดคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังรสดงคาฉามีกลับไปยึดเอาสิ่งที่อยู่นอกเปลือกเอาเถาวันนี่เอาเคือไม้นี่เป็นสารณะเห็นผีสางนางไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีปูผีตาพระเทวดาพ่อพมสงฆอ์อะไร เขา้าทรงองค์เจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกันไปอยูจจ่ภายใต้ความบาดกลวัวนอกเปลือกทั้งนั้นเป็นเถาวันทั้งนั้นพูดไปก็จะกระเทือนเขาก็บอกว่าเขาก็นับถือผู้ที่เจ้าพวกเขา้าทรงเขาบอกว่านับถือผู้ทีเจ้านโมตัสสะเขาก็นโมตาาัสสะนอบน้อมผู้ที่เจ้าอยู่ใช่ไหม ก็นมโมตัสสัมันก็พูดไปตามลมป่ากเฉยมันไม่เข้าถึงความนอบน้อมแห่งความเป็นนมโมตสัสสัมที่แท้จริงพระเขาว่าโตคือใครรู้ไหมล่ะพระผู้มีพระเจ้าคือใครหากพระผู้ได้พระผู้มีพระเจ้าเรานอบน้อมพระผู้มีพระเจ้าจริงผู้ที่เป็นร่างทรงจะให้คนอื่นมากราบไหว้ตนเองไหมพอตนเองก็นอบน้อมผู้ได้เจ้าอยู่ทําไมไม่สอนให้ผู้นั้นอนอบน้อมผู้ได้เจ้าไปเหมือนกับตน เราตานก็ป็นนอบน้อมพู้ได้เจ้าไปด้วยกันไม่ต้องมากราบไหวเราไม่ต้องมาเครารพเรานอบน้อมพู้ไดเจ้าผู้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นแต่ส่วนมากร่างทรงก็บอกว่าเราจะต้องมาช่วยเหลือโลกถ้าเราไม่ช่วยเหลือโลกโลกนี้จะถึงความที่หน้าโน่นอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อพระมาศนะ น, นี้เคยสัมผัสม า, มาแลวกับแต่ละสานัก ที่มีร่างทรงน่ะเคยสัมผัสมาแล้วลรวเคยพูดเกี่ยวกับกันมาแล้วอ่ะเขาบอกเขาจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ได้รับคำบัญชามาไม่รู้ใครบัญชามาได้รับการสั่งการจากองค์การสวรรค์ไอ้องค์การสวรรค์ใครเป็นคนเขียนขึ้นก็ตามที่ศึกษามาจากข้อมูลในพระไตบปดกก็เท้าสักกะเทวราชเป็นหัวหน้าราชาแห่งเทพ ส ก, กเทวราชก็ได้สั่งแค่จตุโลกบาลทั้งสีให้มาเป็นผูต้ตรวจตราดูแลโลกแล้วจตุโลกบาลทั้งสี่จะมาตรวจตาดูแลโลกโดยการเข้าสิงเข้าทรงทําตัวสั่น พ, พ, พับให้คนได้กลาบว่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เขาก็ตรวจตาดูแลโลกด้วยลิธานุภาพของเขาที่เขามีด้วยอํานาจการปกครองที่เขามีใช่ไหมล่ะท้าวทตรัฐทตารัฐปกครอง พวกไหนพวกคุ ด, คดหรอือทัตลัตคุดวิรูปักหน้าเท้ากูเวนทั่วเท้ากูเวนปกครองยักษ์เท้าวิรุณหมันมีอะไรมียักษ์มีหน้ามีคุดวิรุณ6กทัตลัตปกครองพวกคนทันเท้าวิรุณหปกครองพวกคุดและบรรดาหน้าคุด ยักษ์คนทันสี่จำพวกนี้เป็นบริวารของเท้าจตุโรกบัลทั้ง4ี่เท้าทัตตรัตเท้าวิรูปักท้าววิรุณหเท้ากูเวยเท้ากูเวยคือเท้าเวสวุวรรณพญาเวสวุวรรณคนไทยเราเรียกว่ากูเวยมีรู้ทําไมเรียกอย่างนั้ น, น, นคือชื่อเต็มๆมึ้กคือเวสวุวรรณส่วนมากเราจะรู้จักกันพวกนาคพวกพุทธพวกยักษ์พวกคนทันเป็นบริวารของ ท้ามหาราชทั้งสีนี้แล้วบริวารของเท้ามหาราชทั้งสี่จะลงมาสถิตตามโลกมนุษย์ตามที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่แล้วอาราขาดูแลนี่คือสายการปกครองเท้ามหาราชทั้งสี่จะปกครองชาวที่พวกนี้หมายถึงว่าจะสั่งการบัญชาการให้พวกเนี้ยลงมาดูแลโลกมนุษย์เขามาดูแลไม่ใช่เข้ามาสิงใครหรือมาทรงใครนะ เข า, าลงมาดูแลเช่นสถิตต้นไม้บ้างสถิตพื้นดินบ้างสถิตบ้านเดือนที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างสถิตตามผลทางบ้างสถิตตามคูคองบ้างคูเขาบ้างอย่างเงี้ยสถิตลงมาสถิตลงมาดูแลลงมาอารักขาเพราะเป็นจตุโลกบาลจตุแปลว่า4โลกบาลคือดูแลโลกคุ้มครองโลกรักษาโลกคือเป็นแผนกในการดูแลความเป็นไปของโลกนี้โลกจ ะ, จะเจริญหรือโลกจะเสื่อมก็ต้องดูแล ความเป็นไปของโลกอันนี้เอาถ้ามีเทวดาดูแลอยู่ทําไมโลกถึงการวิบัติเขาเขาดูแลนั้นไม่ใช่ว่าดูแลแบบไม่ให้ความเสื่อมเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะความเสื่อมมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในลักษณะของคําว่าดูแลนั้นนั่นหมายถึงการดูแลนะดูแลรักษานะเราสร้างบ้านเรือนมาเราปัดกวาดดูแลรักษาบ้านเรือนเองเราจะห้ามไม่ให้บ้านเรือนพังได้ไหม ห้ามไม่ได้แต่เราก็ดูแลอยู่ใช่ไหมกอ <Yeah. S 1> ขับรถห้ามไม่ให้รถพังได้ไหม mm hmm. แต่เราก็ยังดูแลรักษามันอยู่นี่ใช่ไหม mm hmm. ก็ดูแลอย่างนั้นนะทำ่าดูแลนะเ mm hmm. ข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าทําหน้าที่นอกจากการดูแลของตนคือเข้าแทรกสิงตั้งตนเป็นผู้วิเศษให้คนกาไหว้อันนั้นน่ะผิด <c oughs> พวกผีชนิดนั้นๆที่ทําอย่างนั้นมีมากมีเยอะที่อยู่ไม่อยู่ภายใต้พวกยักษ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของเท้ากูเวนเท้าเบสุวรรณก็มีพวกนาดที่มาอยู่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของเท้าวิรูปักก็มีพวกครุดที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของเท้าวิรุณหกก็มีพวกคนทันที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของเท้า ถ้าตลาัด ก, ก็มีอย่างเงี้ยพวกที่อยู่ภายใต้การปกครองก็มีส่วนมากผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท้าวจต ะ, ะตุโลกบาลทั้งสี่คือพวกที่นับถือพระรัตนตรัส่วนพวกที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองคือไม่นับถือพระรัตนตยอย่างเงี้ยคอยก่อกวนคนคอยแทรกคนคอยทําให้คนได้รับความลําบากหรือทําให้คนหลงผิดหลงเชื่อประเภทนั้น พวกที่ไม่นอมถือประานแต่จะเป็นอย่าง้งเพราะมันจะงม ง, งายหลงทำไมพูดมาถึงเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันพูดไปเรอยเปื่อยเนาะเอยเปื่อยศาสนา เป็นศาสนาที่เหลือแต่เครือไม้รัดลึงเปลือกก็ไม่เหลือเขาบอกว่าไม่เหลือได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบยังมีอยู่อันอันส่วนเหลือนั่นนะ่ะที่มีอยู่นั่นนะ่ะสนใจกันสักเท่าไหร่สนใจกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าอะไรเครือไม้มันรัดอยู่เนี่ยก็หมายถึงว่า สิ่งที่มันนอกจากหลักคําสอนเนี่ยมันกําลังลัดแกนรัทธผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สามารถบอกความจริงต่อคนอื่นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นกั้นอยู่สิ่งที่เป็นความหลงนอกศาสนามันกั้นอยู่ความงมงายมันกั้นอยู่คนที่เข้าปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงที่พระเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่เข้าถึงสัจธรรมก็มีมากมายพระอริยเจ้าทั้งหลายตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมี ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็พยายามสอนอยู่แต่มันเข้าไปไม่ถึงเพราะอะไรเครือไม้มันรัดอยู่ความหลงผิดมันบังอยู่อะไรไม่หล่ะกระแสแห่งความหลง่ะมันเยอะเกจิอาจารย์ทําพิธีปลูกเสกแต่ละทีมันไทยพระอาทิตยทรงกฎเกิดปฏิหารปฏิหารว่าพระอาทิตยทรงกฎมันทรงกฎมา ไม่มีใครปลุกเสกมันก็ทรงกดของมันอยู่นี่ก็ทรงกดตั้งหลายครั้งไม่เห็นไม่เห็นมีการปลกเสกอะไรอยู่ที่นี่ก็เห็นทรงกดขึ้นอยู่นี่มีการถ่ายรูปออกมาให้ดูก็ไม่มีอะไรหรือว่าแถวและแวกนี้มีการปลกเสกก็ไม่มีนะก็เห็นทรงกฎอยู่มันทรงกฎมาตั้งแต่เกจิเหล่านั้นยังไม่เกิดนู่นทรงกดมาตั้งแต่ก่อนจะมีพุทธเจ้าพุ่งธาตุทิศนะ จะให้ว่ายังไงก็เห็นถ่ายรูปลงกันโอ้ก็เลยบอกว่าเครือไม้นี้เริ่มลาดแล้วแก่นคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มพูดอะไรไม่ค่อยออกแล้วพูดออกไปก็ไปอย่างนั้นเองพูดแล้วก็หายไปพูดแล้วก็หายไปเงียบไม่มีความหมายอะไรเลยแต่พอเครือไม้มันเริ่มลัดขึ้นมาทีลิงโอ้โหมันกระหึ่มกันเลยทีนี้กระแสมันไหลไปสู่เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นคือสาระแกนสารที่แท้จริง ได้ยินว่าตรงไหนขังตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนให้หวย ใ, ให้โชคให้ลาบโอ๊ยคนก็หลังไหลไปจะจะเหยียบกันตายจะแม่นาคีนี่ก็โอ้โหนาคีเลย <üz g> ทําไมบริวารเยอะเหลือเกินทําไมให้คนไม่ยอมมาเป็นบริวารพระพุทธเธจ้าไปเป็นบริวารแม่นาคี ก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกเนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทําร่วมกันมานะแม่นาคีก็คงจะทําบุญกับพวกนี้มาเยอะอพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทําบุญร่วมกับคนในพุทธการพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ถึงพวกเราเพราะเราไม่มีบุญร่วมกับพระองค์แต่เรามีบุญเพียงแค่ร่วมศาสนาตามแรงอธิษฐานที่ได้อธิษฐานว่าเกิดชาติไหนขอให้ได้พบพุทธศาสนา แต่ไม่ได้บอกว่าขอให้ได้พบพระพุทธเจ้า <laughs> ถ้าจะอธิษฐานให้คบครบบริบูรณ์ก็ต้องอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็ตามขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้ฟังคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าขอได้พบพระองค์ฟังคําสอนจากพระองค์ขอให้รู้ทั่วธรรมทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นโดยฉับพลันขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นกัลยาณมิตรแก่บุคคลผู้คน ที่อยู่ร่วมกันที่ฐานอย่างงี้น ะ, เ, นะนอเอาฉาบพันเลยนะไออือดอัดอย่าเอาเลยมันยากเหลือกเกินเนี่ยเอาให้มันรู้เร็วๆหน่อยเป็นเนนช้า เ, เปนเนินช้าแล้วเลยเอาบางคนไม่อธิษฐานมาก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างงั้นเอาแบบฉาบพันหน่อยสิอธิษฐานไว้ไม่ใช่ว่าขอให้พ่อพูดศาสนามีสัมมาทิฏฐิ อันนั้นก็ได้เจอพุทธศาสนาแต่ไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิฐิอยู่แต่ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าขอให้เจอพุทธศาสนาขอให้เจอพระพุทธเจ้าขอให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขอให้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นด้วยคือต้องอธิษฐานให้พบส่วนบางคนขอได้พบพระพุทธเจ้าก็เจอหน้าพระองค์เฉยๆแล้วก็ไปไม่ได้ฟังธรรมเจอเฉยๆดีไม่ได้เถียงกับพระพุทธเจ้าอีกอย่างอุปกาชีวกไง อุปกาชีวกาอธิษฐานได้เจอพูดเจ้า่นี้ไหมละ่ะก็เจอผู้เจ้าบอกท่านเป็นใครบอกเราเป็นสมาสวพุทธะเไม่เชื่อหรอกเดินหนีอะไรนี้ใครจะมารู้ได้ตัวเองไม่มีไงเรื่องง น, นี้ออสุดท้ายก็ไปเป็นเมียของนายพานเออไม่ใช่เป็นเป็นสามีของอหญิงนางหนึ่งที่เป็นลูกสาวของนายพานทีนี้ก็ได้รับความลำบากในการคองเรือน เลยเลืนึกถึงพุทธเจ้าเอเคยได้ยินส ม, มณะพู้ดนึ่งได้ปฏิญาณตัวเองว่าเป็นสมณะสามพุทธะส ม, มณะนั้นอยู่ไหนนาะนึกตามหาเลยเนีอยู่พระเชตวันก็ไปพระเชตวันก็ไปหาพทุทธเจ้าท่านจำจำข้าพูงได้ไหมจําจําเราได้ไหมที่เจอกันในระหว่างทางจําได้สิตอนนั้นเราไม่เชื่อท่านตอนนี้เราจะลองฟังทำท่านของท่านดูขอท่านจงแสดงทำให้เราฟัง ก็แสดงทําให้ฟังก็บรรลุเลยนาคามีมั่งก็บวชเพื่อความหมายมันก็ต้องป้องกัน <c oughs> คนั่นเนาะบางคนบอกขอให้เจอพระเจ้าขอให้ได้ฟังทำพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าขอให้บรรลุรู้ทั่วถึงทำโดยฉับพลันก็ฟังอยู่ร้อยปีก็ฟังพระเจ้าเทศอย่างนี้ก็ฟังอย่างนี้ไม่เคยบรรลุสักทีไยต้องบอกขอให้บรรลุด้วยนะอธิษฐานมันครบไงไม่ต้องครบ และถ้าหากไม่อยากจะได้ตกรกรรมลําบากก็อธิษฐานด้ยวยว่าอย่าให้ได้รับความทุกข์ยากลําบากขอให้ได้มีปัจจัยสีบริบูรณ์สมบูรณ์ไัยบูรณ์ไม่บกพ้องเลยเพื่อที่จะใช้ใจ่ายทรัพย์นี้ลงในาศาสนาหวัานทรัพย์ลงในาศาสนาอธิษฐานอย่างนี้ ม, มันจะได้สมบูรณ์ทุกทีไม่มีขาดตกบกพ้องกระล่องกระเร่งอธิษฐานกันไม่เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยไม่เต็มสัตว์เต็มส่วน อาตมาก็คนนึงแหละไม่ได้เจอพระที่เจ้าก็ก็บุญไม่พอก็ยังมีนะเรายังเจอคําสอนอยู่ยังเจอคําสอนอยู่ยังไม่ขาดทุนยังเจอพระศรีมหาโพธิ์อยู่คคือพระองค์ไม่ได้ประทับมาเอ้ยไม่ได้เสด็จมาประทับอยู่กับเราก็ยังมีพระศรีมหาโพธิเสด็จมาประทับอยู่ ก็เออก็ยังถือาเป็นบุญบารมีเพียงพอที่ได้พบได้สวัหาแต่ก็มาถึงที่ต่อไปก็ไม่ต้องมากังวลใจอยู่เพ่ามีที่สักละที่สักกะมีแล้วก็ก็พอแล้วเนาะสมบูรณ์แบบะที่สักกพระเขามีแล้วซีมหาโพธิ์มาจากพุทธคยานง่ายนะถ้ามันวนเวียนก็มันก็ได้การ อางผมเองไม่รู้อันที่จะอะไรมานะครับเพราะว่าตามปลายแรกตั้งใจจะมาช่วงต้นเดือนมกราครับก็อ่านอื่นอ่านเรื่อยไปผัดไปผัดมาจนเนี่ยมาช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีอถ้ามาช่วงนั้นก็ไปไร่วมบุญกันอย่างนี้ครับก็มีเหตุนั่นแหละเจ้าสาละอะไรที่นี่ไอเ้เพลือไม้เราไม่เอาแล้วเนาะเอ า, เอ า, เ, อาเอาแก่นไม้เนาะ แต่ไอ้เครือไม้มันรัดแก่นดีเหลือเกินเลยนี่คลายเครือมันออกมันจะมารัดหราฟันมันออกไอ้ขัวเพลือไม่ต้องมีพระอาจารย์ค่ะ <_ C> โอยไม่มีไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ก็สอนไม่หมแล้วพระองค์อื่นก็มีธาตุขันมันไม่ไหว้บุญวาสนาคง ได้สอนได้เท่านี้นะขาดป้าขาดว่าอย่างนั้นหากมันจะได้สอนไปในภายภาคหน้าก็ให้มันดีขึ้นมาถาดขันนี้จะตีรือเลยนะจะถามอะไรทำไมถามก็หมดแล้วนะ ช่วยท่านได้ไหมช่วยได้ แม่เขาฆ่าสัตว์โดยเป็นปกติเป็นอาจินโดยที่ไม่รู้รู้สึกในการแยกแยะในในถูกในผิดในบุบญในบาปอย่างงี้ใช่ไมแม่เขาฆ่า้วยการเคยชินโดยการเลี้ยงขีพใช่มละ่ะถามว่าแม่นี่จะฆ่าไปจนถึงมันตายอยู่หรือเปล่ามมแม่ก็ฆ่าในแค่ช่วงจังหวะที่ฆ่าพอปลาตายเสร็จก็เสร็จจากการฆ่าใช่ไหม แต่โทษนั้นก็ยังมีเพียงแต่ว่าขณะขณะแห่งจิตนั้นน่ะหากเราสนธนาธรรมกับแม่อยู่บ่อยๆแม่ก็จะเปลี่ยนจิตมาการรับฟังธรรมจากเราจิตจะเปลี่ยนที่มันติดอยู่การฆ่ามันก็จะเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ในการกระแสของการฟังพอติดอยู่ในกระแสของการฟังก็จะวางการฆ่านั้นลงกระแสที่จะสืบเนื่องกับจิตนะ่ะกระแสของการฆ่าคือวิบากของผลในในบาปที่จะส่งผลไปสู่วนะัตถา จิตก็จะอยู่กับการฟังธรรมพอจิตอยู่ ก, การฟังธรรมกระแสของธรรมก็จะปรงแต่งจิตมันก็จะปิดกรรมตัวนั้นได้ก่อนแต่ไม่ได้หายไปไหนนะแค่ปิดไว้พอตายปั๊บในเวลานั้นจิตก็ไปด้วยกระแสของธรรมก็เข้าไปสู่สุคติห <c oughs> นึง่งเปิดเพศเทศให้ท่านฟังหรือให้ท่านฟังเทศมันก็แก้ได้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้หรือเราไปซื้อปาลาเราก็บอกเอ้ยเจาะปลาเอ้ย เป็นวิบากกรรมของเจ้าเลยเดอ้อยังไงเจ้าก็ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราก็ไม่รู้จะช่วยเจ้าอย่างไรบอกปลามันแต่ถ้าให้เราไปฆ่าปลาเองอันนั้นอยาเด็ดขาดแม้จะเอาปลานั้นมาเป็นอาหารให้กับแม่ที่กําลังจะป่วยและกําลังจะเสียชีวิตหากไม่ได้กินปลายาเด็ดขาด เราจะทําด้วยตัวของเราเองแต่ให้ใช้สัจจะในการดูแลแม่สัจจะคืออะไรสัจจะก็ ค, คือตั้งอธิษฐานขึ้นมาว่าข้าพเจ้ามีเจตนางวดเว้นในสีกขาบทหประการที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วข้าพเจ้ารักษาสิกขาบทนั้นได้ด้วยดีไม่ได้ขาดและไม่มีเจตนาทําลาย ด้วยสัจจคตแห่งการที่ข้าพเจ้ารักษาสีขาวบทห้าประการนี้ขอโลกของแม่ข้าพเจ้าจงสงบอธิษฐานอย่างเงี้ย<อ>แต่แน่นอนว่าเราห้ามความตายไม่ได้ก็ต้องตายเป็นเรื่องปกติแต่พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือแม่คือช่วยเหลือเปลี่ยนอารมณ์ของจิตเปลี่ยนอารมณ์ของจิตให้สัมผัสกับธรรมนี่นคือช่วยอย่างนั้น คนแก่ชราก็ได้แค่ประคับประองไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็อย่าละเลยในการที่จะดูแลท่านค้อยเหลือท่านเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วอย่าไปบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้แม่เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นชื่อว่าลูกโดยตรงไม่ใช่ว่าลูกคนนั้นลูกคนนี้ใครก็ตามที่ชื่อว่าลูกนะเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่ต้องทา แบบนี้คนถ้าเป็นเรื่องในในพุทธการครับที่ว่าคนที่ว่าสั่งให้คนไปเดิ น, นตามดาพระพุทธเจ้าครับคุก็ไม่บาปหรือว่าช่างช่างช่างตระบบที่ไปเอาเอาเอ า, เอ า, เอามีดไปเฉือนเท้าพระเจ้าอินที่์สารที่ประเจ้าชาติสกูใช้ใไปไปทําก็ไม่บาปบาปน้อยแต่ไม่ได้บาปมากมแต่กรรส่วนใหญ่ก็ไปตกกับคนที่สั่งใช่ คนที่สั่งได้เต็มร้อยคนที่เป็นคนที่ไปใช้ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเราพึงระลึกเอาไว้เส ม, มอว่ามี่ไม่ใช่เจตนาของเราก็ใช่ ม, ม, มันมันก็ลดทอนไปได้ลดทอนไปได้แต่จะไม่ให้มีบาปเลยเป็นไปไม่ได้ต้องมี ชีวิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องมีบาปมีบุญเราก็ต้องทําบุญแก้บาปทําบุญแก้บาปกันอย่างเงี้ยบุญก็ต้องแก้บาปไปแต่อริยมรรคอยู่เหนือบุญเหนือบาปมันดับทั้งบุญทั้งบาปเราก็ต้องทําำกู่ทําบุญแก้บาปแล้วก็เจริญอริยมรรคทาบุญละบาปเจริญอริยมรรคทาบุญแก้บาปเจริญอริยมรรคเงี้ยมันถึงจะพ้นพอเกิดอีกก็ต้องทำบาปอีกอยู่ดีแหลยพระพุทธเจ้าสมัยเป็นโพธิสัตว์ก็เผลอทําบาปก็มีหลายครั้ง พ่อได้เกิดอีกไม่ใช่จะดีทุกชาติเสมอไปนะพระุทธเจ้าเ่าขณะที่ใช้ชาติอยู่ก็ไม่ได้ดีดีเสมอไปชาติที่เข้มข้นที่สุดคือบา ร, รมีสิประการนั้นนหละคือดีดีแน่นอนอันนั้นนะ่แต่อันชาติที่หลังหลังจากนั้นมก็บา ร, รมีที่ยังอ่อนไม่ยังยังไม่เข้มข้นก็มีเผลอทําบาปบ้างทาบุญบ้างบาปบ้างบุญบ้างสลับกัไปอย่างงี้ ตั้งเดิมหรืออันไหนเป็นการการลบกวนจากเราเจ้ากรรมอะไรเองเวลาที่มันมีอะไรแวบขึ้นมาครับแวบขึ้นมาอย่างเช่นมันห่มอย่างเงี้ยแต่ชอบเวลาพอเห็นเห็นทองเห็นเงินปุ๊บมันแวบไปแล้วแบไปว่ามันต้องมันน่าเอาอย่างนั้นมันมันสวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันแค่แวบนะครับแวบเดียวแล้วเราก็ไปดักมัทันเอาสติไปดับมัทันว่าเออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอยเงี้ยครับไอตัวแวบขึ้นมาเนี่ยครับมันคือ กูป็นิสัยดั้งเดิมของเราใช่ใช่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่หรือมันยังผมเนี่ยชอบรวบขึ้นมาเรื่องเรื่องฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพเป็นปนิสัยที่เราสร้างมาใช่เคยฆ่าตัวตายไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมาแล้วมันจึงอยากจะมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราทาเราฆ่าตัวตายอีกเราก็ต้องไปเกิดแล้วก็ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยจนกว่าจะรู้สึกว่าการฆ่าตัวตายนี้น่าเบื่อหน่าย มันก็เลยบอกโอ้ไม่อยากจะฆ่าตัวตายอีกแล้วสัญญาตัวนี้ถึงจะสุดสิ้นสุดคือรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วว่าฆ่าไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะมันไม่ได้ถูกตัวมันเพราะตัวตัวที่แท้จริงไม่ตายเพราะยังมีเกิดอีกเนี่ยเกิดมาฆ่าอีกเกิดมาฆ่าอีกก็ไม่เห็นมันตายทันทีไอ้ฆ่าตัวตายมันมันไม่ถูกต้องมันผิดตัวแล้วเนี่ยตัวที่เราจะต้องฆ่าจริงๆก็คือตัวนําเกิดนู่นถ้าจะฆ่าตัวตายอจริงๆต้องไปตัวฆ่าตัวที่นําเกิดนู่นอะไรเป็นตัวนําเกิดฆ่าตัวนั้น นั่นแหะคือการฆ่าตัวตายอย่างแท้จริงอันที่ผ่านมาผิดตัวทั้งนั้นเลยมันเกิดตายมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่น่าชีวิตเนี่ยแล้วคนมันฆ่าตัวตายนี่มันเป็นติดมากคือยังพอใจกับการฆ่าก็ต้องฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าคิดว่าตัวนั้นคือการดับปัญหาทุกอย่างไม่ใช่เกิดอีก็มีปัญหาอีกกับกายตัวเนี้ยเกิดอีก็มาฆ่ามันอีกเกิดอีกก็มาตามฆ่ามันทําไมขนาดนี้กี่พบกี่ชาติก็ต้องมาฆ่ามันอยู่อย่างนี้ โว้มันน่าเบื่อนายจังวะแล้วไอ้ตัวไหนเป็นตัวที่ทําให้เกิดการฆ่าไอ้จิตนี่เองอดักฆ่าไอ้ตัวนี้สิฆ่าจิตออกอย่างนี้นะเนี่ยมันคือทางปัญญาใส่นะ้ำใส่กระตุนเลอะมันจ็บเลอะเอ่หรือ ถ, ถ้าถึงขนาดเบือ่อนายการฆ่าตัวตายในรักษณะที่พระสารีว่านีา่เราถือว่าหลุดพ้นจากกรรมกรรมอนั้นกรรมอนั้นแล้วไม่พอใจที่จะฆ่าต่อไปอีกแล้ว เพาเบื่อหน่ายกับการฆ่าตัวเองแล้วถ้ายังไม่เบื่อหน่ายยังรู้สึกว่าการฆ่าตัวตายคือการดับปัญหาทั้งปวงมันยังพอใจอยู่ไงมันก็นําเกิดไปเกิดเป็นคนอีกหรือเป็นสัตว์ก็ต้องฆ่าตัวตายอีกเหมือนเดิมอยู่ในวิสัยของการฆ่าอย่างนี้โจ๊ดมาแล้วนึงก็อะไรกันว่ามันมีที่สิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยต้องมาฆ่ากันแล้วฆ่ากันอีกอยู่งี้นี่แค่ฆ่าตัวเองนะฆ่าคนอื่นก็เหมือนกันฆ่าเขาปุ๊บเขาก็ต้องมาฆ่าเราพืนฆ่าเราก็ฆ่าเขาพืนฆ่ากันไป้ฆ่าไหม จนรู้สึกว่ามันน่าบเบื่อนายค่ะกันไปค้ากันมาอย่างนี้ที่สิ้นสุดอ๋อเหมือนกันถูกใช้เช่นเดียวกันใช่เหมือนกันเดียวกันอ๋ อ, อพระเจา้ายังบอกอ่ะพร อ, อนนพออนนไม่ใช่เพียงแค่ในชาตินี้เท่านั้นที่อานุนได้ทำการสักราะภาษีมหาโพธิ อดีตชาติผ้ามันก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนที่โคนภาษีมหาโพธิ์ของพู้ได้เจ้าองค์กรก็เคยทำมานี่ก็เคยทำมาได้กันเลยมาทำต่อกัน <c oughs> ฐานบนทนนี่ลุยงานกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่กว่าจะเสร็จช่วงเวลาก็สั้นเลยเนาะเร่งทำกันอย่างหนักเลย โยมน er ้องก็โอ้โหเก็บกวาดใบไม้ถากยากเอากันโอ้บุญกันเต็มเปี่ยมเลยแหละทำออกมาสาเร็จก็หลุ่วงไป้นดีก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบอาไรก็คืดีระยะเวลาสั้นเขาก็บอกพายุจะเข้าแล้วก็บิกตกป่กเสร็จเนี่ยทางขึ้นทางลงพงยัรับความลำบากเถือร้อนแน่นอน พอจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นพายุไม่รู้มันหายไปไหนมันทำมันเหนื่อยมันเพลียแต่ว่ามันก็มีกำลังใจที่จะทเคยทำมาก่อนจึงได้ทำอย่างนั้นถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นการทำสืบต่อในวิถีตัวเองเคยทำมาเคยนั่งฟังทากันอย่างนี้ก็เลยมานั่งฟังทากันอย่างนี้เหมือนเดิม เคยสอนกันอย่างนี้ก็เลยมานั่งสอนกันอย่างนี้เหมือ น, อนแต่อันชดชาติก่อนอังสอนกันไปไม่รู้อาจจะเป็นอาตามาอาจจะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิสอนให้หลงวนอยู่ในวตัตฏายูนี่ก็เลยหลงวนเลยพอมาฉลาดในชาตินี้ก็เลยมาสอนแก่พวกเราให้แก้คอมหลงไม่ต้องไปวนกันอีกที่ที่เราฝันว่าที่อดีตเคยไปกับกันมามันก็คงจะใช่นะใช่ ใช่โยมเคยฝันชอบตามพระอาจารย์ตามไปก็ภาพความฝันมันก็จะใช้ อ, อดีตบ้านใช้อนาคตบ้านให้เราได้ทราบอาาคจคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนมันก็รับรู้ก่อนในสิ่ง น, นั้นโยเคยฝันพอาจารย์เอาอะไรมารู้ให้กินสีขาวๆอสีขาวแต่มันรสชาติธรรมชาติ บก่อยี่ความหมายกันเน่อยเองไม่รู้แล้วฝันห้องใครฝันห้องมันเนี่ยเคยได้กินเนอก็ถึงเข้าใจว่าได้กินทุกวันท้อะต้องยู่แก่ หมด ม, มีอะไรแล้วเหรอหมดก็หมดแล้วนะจะให้มาพูดอะไรไปมากกว่านี้ิ่งก็ไม่ไหวแนละไม่ใช่คนชอบพูดมากแต่ถ้าถามก็จะตอบนะพอสมควรแก่เวลาวันนี้เอวังมีความสุขความเจริญผู้ที่รับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญในการรับชมผลทุทธถึงสุขทวนหน้ากันทุกคนเนดะ้อ